ลูกรักของพ่อทั้งหลายสําหรับต่อ น, นี้ไปพ่อก็จะขอนําเอาธรรมะที่เ ป, ป็ในใกติเตือนใจเขาลูกทั้งหลายมากล่าวในที่นี้เพื่อก่อนจะจบเจตนาของพ่อก็มีว่าความเกิดมันเป็นทุกข์ยังลูกทุกคนเวลานี้ต่างคนต่างก็มีทุกข์กันหมด แต่ว่าทุกมีจริงให้ทุกมันมีแต่ขันห้าใจเราจึงอย่าเป็นทุกข์บรรดาลูกรักของพ่อทุกคนต่างคนต่างมีศีลต่างคนต่างมีสมาธิต่างคนต่างมีปัญญาพ่อดีใจเวลาฟังพ่อพูดพยายามใช้สมาธิให้เคร่งตัว สำหรับอภินยาสมาบัติอิทิริธิสามารถยกจิตไปในที่ต่างๆได้ทำให้คล่องทิพย์จคุญญานถ้ามารม์ใจแจ่มใสคือศีลสมาธิดีแล้วเราก็เห็นชัดเจนจุตูปปาติญาณถ้าอยากจะรู้การตายการเกิดของสัตว์มองหน้าคนมองหน้าสัตว์ ก็จงใช้ยานนี้จะรู้ได้ทันทีว่าก่อนที่เขามาเกิดเป็นเป็นคนนิสั์เขามาจากไหนตายแล้วไปไหนเจโตปริยญาณยาที่อยากจะรู้ว่าระน่มจิตเขาเปคนอื่นถ้าพยายามรู้ใจของตนไว้ก่อนเสมอดูกระแสจิตของตนเราดูได้ไม่ยาก คนที่มีจิตมีกิเลสหนาะมีความชั่วใจจะมีสีแดงบ้างสีดำบ้างสีขาวบ้างแต่ก็เป็นสีเนื้อถ้าใจของคนดีไปกลางก็จะมีสีเป็นแก้วถ้าคนที่ดีจริงๆก็เป็นประกายเป็นดาวทั้งดวงเป็นประกายทั้งหมดนี่ไม่ยากแต่รู้ลกคนหนึ่งเสีย ปุเพนิวาสานสติ ญ, ญาณฝึกให้คล่องทอดนึถึงชาติถอยนึกถึงชาติถอยหลังว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติแต่จะไปไล่มันทุกชาติเลยถ้าพบอะไรขึ้นม า, าก็เราคอ น, นึกว่ยเราเคยกัดเคยเสือเป็นสัตว์เลียงชั้นไหมเห็นใส่เข้าเกิดมาแล้วกี่วาระภาพนั้นมันก็จะปรากฏไม่เห็นชัดมันถอยหลังได้ เป็นอารณว่าทำส่วนนี้มีความสําคัญพ่อให้โลกไว้ก็เพื่อชําระจิตของลูกให้บริสุทธิ์ถอยหลังไปหาความทุกข์ว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติแต่ได้ชาติดูบรรดากษัตริย์ทั้งหลายที่พูดถึงมาและคนทั้งหลายเหล่านั้นต่างคนต่า ง, ต า, ง, ต, างตายไปหมดพื้นเป็นดินไทยที่เราเดินอยู่ที่นี่ถ้าเราใช้อนาคตังสอาตีตังสี ญ, ญาณ ยานในอดีตก็จะมีความรู้สึกว่าเราเดินอยู่บนร่างกายเลือด เ, เนื้อขบรรดาบรรพบโรยของเราเช่นั้นถ้าหาว่าใครเขาจะมาเชื่อเฉือนเอาบรเนื้อเอาร่างกายบรนพบโรยของเราไปเราไม่ก็ไม่ควรยอมนี่ผู้เ็อย่างทางโลกแล้วโลกไม่ช้าทําไมเสียตอนนี้สําหรับกีลาที่เราจะชนะได้ ท่านเรื่องของการรักชาติเรื่องของความสามาคัคคีสามัคคีจะเกิดขึ้นมาได้จากสังขหวัตถุสีรายการหนึ่งทางการให้เกื้อกูลซึ่งกันและกันสองปิยวาจาพูดวาจาไพเระาะสอัธยจริยาทำตนให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นช่วยกานงานสีสีสมานัตตาไม่ถือตน ที่ที่ค่าทั้งข้าแค่สี่ประการนี้ถ้าเราทำกันไม่ได้มันก็มีความสุขไม่ได้ฉะนั้นชาติเราจะมีความสุขคนเราจะมีความสามัคคีอย่าสมัยที่เขาเลือกผู้แทนกันนี้ถ้าผู้แทนที่ดีก็ดูหลักสี่ประการเขาทำมาก่อนหรือเปล่าถ้าเขาไม่ทำมาก่อนก็อย่าไปเลือกมันเลยเขาบอกนอนหลับทับสิทธิ์ไม่ดี ถ้าคนไม่ดีแล้วก็เราก็ไม่ควรจะไปใช้สิบเราเลือกคนไม่ดีเข้าไปก็แสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีจะงเลือกคนไม่ดีเข้าไปเขาไม่ห่างเลยเขาก็เป็นผู้แทนไม่ได้เขาถามว่าทำไมจึงไม่เป็นไรือไปไปเลือกก็บอกว่าคนที่สมัครคนไม่ดีในเมื่อเขาจะมาเป็นเอาคนไม่ดีไปเป็นผู้แทนฉันไม่ต้องการฉันไม่มีดีกว่าเข้ามาเรื่องกันไป ยาวาพาโวกับเขานี่เรื่องที่ พ, อพ่อโผล่หนึ่งต้องการให้ละกิเลสหยาบในฐานะที่มีร่างกายอยู่แล้วมีความสุขไอข้คำว่าสุขในที่นี้จะเอาสุขกายเอา ส, สุขใจเอาแล้วกันทางกายต้องนึกว่าหนึ่งชาติวิทุกขาความเกิดมันเป็นทุกข์ชราวิทุขาความแก่เป็นทุกข์ เรานาไปทุกขังความตายเป็นทุกเป็นว่าขันห้ามันทุกแต่ใจของเราอยทุกใจของเราจะไม่ทุกเลยทําไงเราสารมใจไว้สิบอย่างข้อหนึ่งทางการให้คิดไว้เสมอว่าเราจะมีจิตเมตตาสองเคราะห์บอกคนอื่นให้มีความสุขด้วยการให้ให้ของให้ความคิดให้กําลังกาย ให้ของหมายกว่าถ้าเขาขายของแล้วมีขอแล้วก็ให้แต่ขอไม่มีก็ใช้ปัญญาแนะนำมนันอนคนนอนอาจจะให้คนนี้อาจจะให้แล้วทำอย่างนี้จะไม่อดตายแล้วก็ให้กำลังกายเคช่วยกิจการงานเขาอันนี้เป็นเสน่ห์ใหญ่อันหนึ่งที่ทาให้เรามีใจเป็นสุขพวกให้ย่อมได้เป็นที่รักของพ่อรับ สองศีลแปลว่าปกติอารมณ์ขณะยะทรงความดีห้าประการไว้เสมอคือหนึ่งไม่คิดไม่ประทุษร้ายใครไม่ทําไม่ทำร้ายไม่แกล้งแกล้งไม่ฆ่าเขาไม่ทําร้ายเขาสองไม่ลักไม่ขโมยไม่ยื้แย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นสามไม่ยื้แย่งความรักของบุคคลอื่นสี่ไม่พูดโกหกมัเท็จ ถ้าไม่ดื่มโซรามีไร้วข้อที่สามเนตมมะตอนนี้เนตขมมะขั้เระบการถือบวชคือบวชใจค้ามาบวชนี่ไม่จำเป็นต้องโกนหัวคนโกนหัวแล้วถ้าว่าถ้าจิตใจไม่ดีก็ไม่ถือว่าเป็นนักบวช เราัวใจก็คือหนึ่งไม่มัวเมาอยู่ในกรรมมาคุณห้าไม่หลงอยู่ในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมนสดรอยสัมผัสระหว่างเพศนไม่ยึดถือความโกรธความเย้ยบาสมาเป็นประทัดฐานมีใจให้อภัยอยู่เสมอสำหรับกรรมาคุณห้าเนี่ยมีความรู้สึกว่าไอ้รูปสวยเนี่ยมาสวยไม่จริงเดี๋ยวมันก็พังเสียงเพราะ ผ่านหูแล้วก็หายไปกลิ่นหอมผ่านจมูกก็หายไปรถกระทบลิ้นแล้วก็หายไปสัมผัสระหว่างเพศจับแล้ววัตบรอยจับก็หมดความรู้สึกแล้วก็เป็นปัจจัยนํามาถึงความทุกข์รักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่รักเลยไม่ทุกเลยในเรื่องความโกรธความเมียบ่าก็ไม่กันตัดกําลังใจเสียว่าเราให้อภัยกับคนที่ทําความผิด พึ้นที่ว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ทำความผิดเลยไม่มีก็น่าเห็นใจเพราะว่าความท้าทาดของงานช่างเขาเยาจะดาเขาจะว่าก็ช่างเขาเดี๋ยวต่างคนต่างก็ตายแล้วก็กันความวงเหงาเขานอนที่เวลาที่เข้าม า, าล้วจิตใจทาความดี ยามตัดอารงณ์มใจตั้งไว้ในรมที่เป็นปกติคือเรานึกถึงความดีจุดใดจุดหนึ่งอยู่เราจะไม่ยอมอารมณ์ให้อารมณ์อื่นเขามาแทรกและเราจะไม่สงสัยธรรมะปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส อ, สอนอย่างนี้ น, นี่เขานี่นี่คํขาเนี่ยคัมภีรบทคือไม่แต่คนที่บวทห่มผ้าเหลืองน่ะถ้าระงับเพลิประการอย่างนี้ไม่ได้เขาไม่เรียกสมมติสงหรอก เขาเรียกว่าเถ น, นะเรียกว่าเถนนอนโน ส, กกสะกดเสดทถุงนอนโนเดียกวาหวโหกมวยรักเอาเพริรสธระมโนลงเป็นนักบวชจริงๆอันดับแรกจะต้องมีนี่บวชจะต้องตัดนิวรณ์ห้าประการคือระงับนิวรณ์ห้าประการตามที่พูดไปแล้วได้ข้ารู้ทุกคนพยายามระงับใจเป็นธรรมดาลูกครองเรือน แต่ถือว่าทําอย่างเพราะว่าต้องหย่ากันเนี่ยไม่จําเป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วก็แล้วกันไปแต่พิจารณาหาความจริงว่านี่มันเป็นปัจจัยของความสุขหรือเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์งานในหน้าที่มีเท่าไหร่ทําไม่ครบแต่ว่าถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่เราจะทําชาติต่อไปไม่มีสําหรับมันไม่มีสําหรับอีกอแบบนี้เลิกกันเราเคอะไปในผ่าน ถ้าสงสัยนิพพานก็ใช้วิปัสสนาญาณเข้มขน้นใช้มโนยิธิแป๊บเดียวถึงนิพพานจับนิพพานได้ว่านิพพานจะมีความสุขขนาดไหน ม, มีข้อที่สี่ถ้าบอกปัญญาปัญญามีความรอบรู้หลีกเลี่ยงในสิ่งที่จะเป็นโทษทำในสิ่งที่เป็นคน แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาหาความเป็นจริงว่าเกิดแก่เจ็บตายจริงไหมถ้ารังยังเกิดยังแก่ยังเจ็บยังตายอย่างนี้เราก็ไม่หมดทุกข์ความสุขก็คือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้แก่รักษาทำสิบประการนี้ไว้คอบทนวิรทยะอุปสรรคในการงานทุกอย่างทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรมมันย่อมมีเราจะต้องอดทนทุกอย่างต่อสู้เพื่อรักษาความดีให้คงอยู่ นี่ว่าเพียนฟังให้มันทะลุเข้าไปคันติความอดใจอดกลั้นอดทนต่อความเหนื่อยอดทนต่ยวความร้อนอดทนต่ยวความหนาวอดทนต่อความไข้ข้องใจซาจจะแล้ ว, วความจริงใจความจริงไหมก็ต้องตั้งใจแบบไหนแล้วก็ทรงแบบนั้นคือว่าตั้งใจไว้ว่าเราจะรักษาศีล้ะก็รักษาศีลใครไม่ชวนด่าล้วก็ไม่ได่า เราจะมีเมตตาใครมไม่โกรธเราก็ไม่โกรธอันนี้ฐานตั้งใจไป็ว่าการทำอย่างนี้เพื่อส่งคุณอะไรจะไปไหนเมตตามีใจสบายอยู่เสมอมีความรักคนสัตว์เสมอที่เป็นเมือนเพื่อนของเราอุ้มเบกขาวางเฉยในามต่างๆที่ไม่เปเป็นทูกขไม่เป็นที่ไม่ถูกใจเราหมายความว่าอะไรก็ตามถ้าเป็นที่ไม่ถูกใจเราแล้วก็เฉย เขาเย็นด่าเขาเะว่าเขาเย็นท้าอะไรก็ช่างเขาถือว่าเดี๋ยวก็ตายจะไปยุ่งอะไรกันทันนี้เพื่อความสบายใจของลูกพ่อก็จยาขอนามธรรมะย่อๆขาอองค์สมเด็จตระสมาสพุทธเจา้าธรรมะก็จุงก่าจุงของชาวบ้านมาแนะนำลูกเขาไว้เพื่อเป็นนิทัศนะ ตั้งนี้อะไรเพื่อไปพุทธ ป, ปฏิบัติเพื่อความอยู่เป็นสุขท่านบอกว่าอับายามุกคือเหตุแห่งความจิบหายมีสีอย่างคํงาว่าจิบหายนี่ภาษาบาลีถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามที่ต้องสลายตัวไปท่านเรวยจิบหายทั้งหมดอม า, ายามุกสีอย่างนี้จะต้องหลีกเลี่ยงนะลูกนะ คือว่าอย่าเข้าไปยุ่งกับมันถ้าเข้าไปยุ่งกับมันกมันก็ยุ่ ง, นงหนึ่งความเป็นนักเกรงหญิงทั่วท า, ายนะชอบเจ้าชู้หรือว่าหญิงเป็นนักเกรงชายชอบจะชู้นี่ไม่เป็นเรื่องพังสองการเป็นนักเกรงสุรานักดื่มสุรายาเมายาฝิ่นกินกัญชาเฮโรอีนอะไรพวเนียไม่เป็นเรื่อง สามการเป็นนักเกรงการพันนันสี่การคบคนชั่วเป็นมิตรในคบคนชั่วเป็นมิตรเนี่ยเหมือนกับคบพุทธบางคนนี่เป็นพวกแทนแนัสสนรเนี่ยเป็นคนเราเลี้ยเข้ามาเราก็พังเป็นอน้เหตุสี่รายการเนี่ยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุนทรภู่ว่าถ้าใครปฏิบัติตามนี้แล้วก็ไม่มีความสุขคน ม, มีแต่ความทุกข์ ทรัพย์สินมีเท่าไรก็มันไหลบรรทุนหมดหาความสุขจะหาสุขจริงๆไม่ได้อันนี้ต่อไปท่านบรรยายว่ายังไงอทําไมบอกสมราจิขตภาประโยชน์เพราะไมยังไม่พูพถึงอ่าท่านนี้ก็จะขอผ่านไปเลยนะจะลืมว่าอวัยมุกสี่อย่างนะั้นไม่ดีนะจาไม่ได้จำได้ไหม ท่านมาพูดตอนนี้อีกทีหนึ่งพราะข้ามาเลยว่ามิตรปฏิรูปคือคนเทียมมิตรแหมเรื่องการคบมิตรเนี่ยสำคัญมากที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าสีวนนาจะพาลานังปณิตานันยะสวนนาปูชาจะปูชนีย ม, มังคะรมตมังหมายก็หมายความว่า อย่าครบคนชั่วจงครบและจงบัชาแต่บุคคลที่คนบัชาก็วเป็นอดมมงคนเปนั้นมาดูธรรมวิปฏีรูปท่านว่าอย่างไรนะคือคนที่เทียมมิมีอยสีจำพวกคือหนึ่งคนปอกลอกไอคนปอกลอกนี่ดีแต่ใช้ข้อเรากินเอาแต่เสียไม่จ่าย นี่คนปลอรอบประเภทนี้ก็จำไว้ว่าไม่ใช่มีแท้ไม่ควรจะคบสองคนดีแต่พูดเวลาคนอื่นก็ทำกะติโน่นตินี่เนบโนนแหนมนี่เวลาตัวเองทำระยำอับ ป, ปีไม่พดหรอกพูดแต่เที่ยวชอบด่ า, ดาเขาเหตุไอ้คนจะดา่าคนมาเหตุผลไม่ง่ายเหมือนก็คนชกมวย ไอคนดูท่าบอกก็ทำไม้ไม่ซอกขึ้ไม่เข้าแต่คนนั้นไม่งงเท็มทีนี่คนดีแต่พูดแต่ทำไม่ดีนี่อย่าครบคนหัวประจบซอพรอนี่คนเช่ามาจบอะไรดีก็ตามโชคก็ตามดีซะเลยอันนี้ก็ไม่ควรครบคนเช่าชวนเปทานชิบหายเห็นไหม ถ้ชักชวนไปทางที่ผายนี่มันก็ไม่ควรครบตจำบอกไอ้คนประเภทนี้มันไม่ใช่มิตรแท้มันเป็นศัตรูเขือต้องถือว่าเป็นศัตรูร้ายที่คอยทาลายความสุขถ้าฐานะของเราทรงตัวอยู่ไม่ช้าเราก็พังถ้าเราขึงครบครอ ค, ค, คนประเภทนี้นะอันนี้ดูบาลีของท่านต่อไปท่านขยายความลักษณะของคนที่ ก็ไคนชอบบอกลอกค่ะมิตแบบบอกลอกถ้ามีบอกลักษณะมาตัวอย่างนี้นะคนสี่เหล่านียท่านบอกให้ดูลักษณะเพราะว่าคนบอกลอกมีลักษณะสี่ขึ้นหนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวอะไรก็ตามเนือขอให้มันเป็นประโยชน์กับเขาเขาชอบ ถ้าเราจะหยิบยืมเขาบ้างจะขอเขาบ้างเขาไม่ให้คนประเภทนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าอย่าครบนี่จะไม่ดีนะพระพุทธเจ้ามันจะบอกว่าครบคนทุกอย่างให้เลือกครบสองเสียถ้าเราเขาเสียให้เราน้อยแต่ได้มากเขาเอาคนประเภทนี้อย่าอย่าครบเธอคืนครบก็มีแต่ความหายเนาะสามเมื่อมีภัยแก่ตัว ก็รีบทากิจอ่รีบทากิจของเพื่อนหมายความว่าถ้าอันต ร, รายจะเพิ่งเกิดแก่ตัวเขาเนี่ยเขาต้องการให้เราช่วยเหลือแม้ขยันทุกอย่างทำโน่นทำนี่ให้แต่ว่าถึงเวลาสบายพวกไม่มองตัวเพื่อนหรอกนี่อย่างนี้เขาเรียกคนปอกหรอกแล้วก็สี่คบเพื่อนเพราะเห็นประโยชน์ส่วนตัว นีหมายความเขามองดูเพื่อนที่เขาจะคบกับเราเนี่ยว่าประโยชน์นมีกับเขาไหมถ้าประโยชน์มีกับเขาเขาจึงจะคบถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์เขาเสียเปรียบเขาไม่คบนี่เป็นอย่างนี้นะนี่เรียวว่าคนบางคนตลอกกระลอกนี่คนดีแต่พูดทำบอกมีลักษณะสีเหมือนกันลูกจําให้ดีนะเพราะลูกจะต้องมีชีวิตต่อไป แล้วก็บอกลูกบอกหลานบอกเลนบอกกันต่อต่อไปว่าคนประเภทนี้อย่าไปคบคนที่ไม่ควรครบถ้าบอกว่าคนดีแต่พูดก็มีลักษณะสีอย่างไหมือนกันคือหนึ่งเก็บเอาของที่ร่วมมาแล้วมาม า, มาปราศัยไอ้อย่างพ่อนี่ยมั้งของมันร่วงไปแล้วก็มาพูดเนี่หมายความยกย่องในความดีไะ ที่เราทําดีไว้ที่ไหนที่นั่นไหนแค่ประจําได้ดีไม่ดีก็ก็เสริมให้ดีกว่าเก่าถ้าเราเป็นคนบ้าโ ย, ยอก็พังกันไปเลยสอง อ, อ้างอ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มาถึงอ้างเอาสิ่งที่ยังไม่มีมาพูดห ม, มายความมาไอ้ก่อนที่เราทําดีไว้อย่างไรงแกมาพูดให้ฟังแล้วก็ส่งเสริมเน้อต่อไปค่ายการข้าว่ขาข้าหน้าจะต้องดีกว่านั้นนี่ แล้วก็สามสงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ไก็ามหมายความว่าสิ่งที่จะนํามาให้เร า, เ, าเปนของไม่มีค่าแต่ว่าแหม้บคิดถึงพยายามหาของดียิ่งกว่านี้แต่มันหาไม่ได้หาได้แค่นี้ยตั้งใจมาให้แต่ว่าสี่ออกปากเวลาเราต้องการจะพึ่งจะบอกไม่ไหวแล้ว บอกพึ่งอะไรก็แล้วไม่ไหวไม่มีหมดัางๆนที่เห็นไม่มีกะบอกไม่มีนี่พ่อเคยพบนะเคยพบพระพ่อหมพ่อเหลืองเนี่ยไม่ไม่ใหญ่ให่พูดมีจริยาท่าทางแบบนี้เดี๋ยวนี้พ่อกันเลยไม่ครบนี่ต่อไปคนประเภทอีสารท่บอกคนหวัวกระจบมีลักษณะสีไม่กันจำไม่ดีนะท่บอกหนึ่งจะทำชั่ว ก็บอกดีดีดีดีวก็คล้อยตามเน่ยทําชั่วก็คล้อยตามดีทําอะไรก็ดีหัวกระจกนี่ดีทุกอย่างสองจะทําดีก็คล้อยตามท่านก็จะทําดีดีครับดีครับดีครับท่านทาดีเนี่ยทาชั่วก็ดีครับดีครับดีครับไม่ยอมขยคอสามตอนหน้าสรรเสริญแมยกมือไหว้มอบราบคาบแก้วเอกตนาการ แล้วก็สี่รับหลังนินทาลูกเคยเจอไหมล่ะเจอมาแล้วเยอะๆ แ, แ, แ, แล้วใช่ไหมสบายใจไหมล่ะคนประเภทนี้เนี่ยจําไม่ดีนะคนอย่างนี้แต่ว่าไอการที่คาว่าไม่ครบเนี่ยมันหมายความเห็นหน้าแล้วคนหน้าบึองเห็นหน้าแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าอยาเข้ากระไรมากเกินไป เวลาเ อ, อกปากขออะไรเราก็บอกว่ายัางไม่พร้อมเราก็ยิ้มแย้มยิ้มใสเจียนหน้าเขาแก่กว่าแล้วก็ไหวแล้วก็ยิ้มให้ก็โมโหให้แต่ว่าเราจะเขาจะชวนมาทําอะไรร่วมอย่าไปร่วมด้วยนี่ลักษณะคนที่สี่คือชักชวนเป็นทานดิพไหยมลักษณะสี่คือหนึ่งชวนให้ดื่มน้าเมา ให้น้ำเมานี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ดีนะพไม่ต้องอธิบายรู้อยู่แล้วสองชิชวนให้ทเที่ยวกลางคืนบ้านเรามีนอนนี่จะไปทําไมสามชิชวนให้มัวเมาในการเล่นการพนันนี่การะเล่นหมายความมัวเมาการะเล่นหมายถึงว่าการดูมรดศพสี่เชิชวนให้เล่นการพนัน นี่คนมิตรประเภทนี้ชนไปหาความชิบหายไม่มีความเจริญกอดรวมความว่ามิตรสี่ประเภทที่ต้องวางโยนทิ้งไปธนาลูกนะเพื่อความสุขของลูกท่นนี้มามิตรแท้ดีคนรท่านบอกมีสี่จำพวกเหมือนกันท่านบอกมิตรแท้เด่นหนึ่งมิตรที่มีอุปการะสองมิตรร่วมสุขร่วมทุก สามมิตรแนะนำประโยชน์นอยางนี้ใช้ได้แจ๋แววเลยนะแล้วกส็สี่มิตรมีแต่ความนักใครนี่พ่อจะขอรบรัฐเพราะเวลาเหลืออีสีนาทีแล้วบอกมิตรที่มีอุปการะมากมีลักษณะสี่ขึ้นหนึ่งป้องกันเพื่อนฝูงผู้ประมาทแล้วสองป้องกันทรัพย์สินของเพื่อนฝูงผู้ประมาทแล้ว สามเมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งกิจสำทนักได้สี่เมื่อมีธุระช่วยออกซับให้เกินกว่าที่ออกปากนีนะ่จำให้ดีนะจำให้ดีนะทนได้เพราะบนเปิ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเทปบันทึกเสียงแล้วก็มิตรร่วมสุขร่วมทุกมิลักษณะสี่คือหนึ่งขยายความรักโคตนแก่เพื่อน สองปิดความลับของพื้นไม่แพร่งพรายสามไม่ละทิ้งในยามอิบัตสี่แม่สี่แม่แต่ชีวิตก็อาจจะละแทนเพื่อนได้มีมิตรดีม่คนอย่าครบแล้วก็สามธรรมะมิตรที่แนะนำประโยชน์มีลักษณะสี่คือหนึ่งห้ามไม่ทำความชั่วสองให้แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี สามไม่ฟังสิ่งที่ไม่เคยฟังหมายถึาทางดี 4. ีบอกทางสวรรค์ให้นี่เป็นอรมิตรต้งสามประเภทนี้ดีควรครบนี่มีมิตรที่สี่ที่ดีที่ควรจะครบแม้น่ารักถ้าบอกมิตรมิตรที่มีความรักใคร่มีลักษณะสีอื่นหนึ่งเวลาเราทุกข์ เขาพร้อมทุกกลุ่มกับเราไม่ใช่ว่านั่งทุกเฉยๆนะช่วยกันทุกอย่างอะไรไมันจะเกิดขึ้นถึงแม้ชีวิตจะหาไม่กับพร้อมสองเวลาสุขก็สุขด้วยสามโตเถียงคนที่พูดตีเตียนเพื่อนสี่รับรองการที่พูดสี่รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อนหมายขเขาขยกย่องเพื่อนก็นกรับรองใช่ใช่เทาตีคัน ต่อไปเป็นความสุขที่เราจะพึงหาได้จากความเปนาา็นกระหัตก็ได้กระสังขภาวะถุเพราะเวลาเลยนิดหนึ่งจึงทําไม่เป็นปกติเราจะมีความสุขที่พูดวันนี้ที่ละคนละนะลูกนะ ท, ที่ปฏิบัติคนปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าบอกไม่อย่าทำเลยก็อย่าทำนะแต่คืนทำมีทุกข์ ท่านรียกว่าสังขาวัตถุการเกือ้อกูลซึ่งกันและกันเขาได้กันหนึ่งทานกันให้สิ่งของแก่พู้อื่นเพราะวาผให้เป็นปัจจัยของบุคคลผู้รับสองปิยวาจาใช่วาจาอ่อนหวานโพตทวาจาที่ชาวบ้านชอบสามัคคีริยาประพฤุทนในเป็ น, นประโยชน์คือช่วยเกือ้อกูลให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นสี่สมานันตตาความเป็นมิตรเสมอ ทาตนเป็นมิตรเสมอกับเสมอกับคนอื่นไม่ถือตัวรวมความว่าพ่อก็ค้นําธรรมะมาต่อท้ายเพราะที่พูดมานี่ก็เป็นการแก้ว่าทําไมเจ้าได้กลัวสงครามกันนักกลัวตายกันมากมากเลยอะไรเพียงแค่โยนไม่ทันญรบก็กลัวตายแล้วสงครามกับเรากับยวนจะได้รบกันหรือเปล่า พ่อคิดว่าเรากับยวนคงไม่ได้รบกันจริงจังถ้าบังเอิญจะรบกันบ้าง ก, ก็คงจะเปรบเล่นๆพ่อขอยืนยันว่าประเทศไทยจะเป็นเอกราชต่อไปประเทศไทยจะมีพา ย, ยุบ้างก็ไม่มากนะักแต่ว่าบางขณะมันก็ทำท่าจะริปรีริปรีน่าดูอยู่เหมือนกัน แต่ว่าหายระยะเวลาริบหรีร่ไปแล้วความผ่องใสแยบปรากฏอารมณ์ของคนจะมีผ่องใสค้ายเจ้าที่ขัดดีแล้วมีความใสทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะว่าว่าความดีขบรนดาบุคคลทั้งหลายที่ส่งความดีในประเทศไทยมีมากแต่ก็จงอย่าลืมนะว่าเจ้าคนที่หน้าเก่า ที่จะเข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายเราเนี่วางไว้ซะบ้างเลือกคนใหม่ซะบ้างนะคนอยุญิยาไม่สิ้นคนดีเฉนใดแม้ประเทศไทยก็ยังไม่สิ้นคนดีฉันนั้นอรบรรดารูกรักของพ่อทุกคนเรือ่องราวฮังยนูนกตกรถ้าจะพูดกันไปมันยากว่านี้มากแต่พอพ่อเห็พ่อเห็่าเสีเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์นี่เข้ามาอย่างทงเก้าเทพแล้วที่จะทรอัสอามเทพ ต่อไปก็จะเอาเรื่องของคนคนหนึ่งท่านผู้หนึ่งที่มีความสำคัญที่กู้ชาติไทยคื้มันได้มือเปล่าเหมือนกันนั่นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีพระสหายสำคัญอยู่สองท่านก็ได้แก่สมเด็จพระตยอดฟาจุลาโลกก็สมเด็จพระว่าพระรชวังบวร อ, อ, อาจจจบตอนตอนนี้ก็จบกันเสีทีนะจําให้ดีนะ ว่าท่านที่เราพูดถึงท่านตายไปหมดแล้วเราก็ต้องตายแต่ความดีของท่านหลายที่สร้างประเทศไทยให้เราอยู่เราจะลืมไม่ได้อย่าทําตนเค่นี้ได้ว่าอย่าตายก่อนรบถ้าอย่าตายก็ต้องรบ ก, กันตายไม่เช่นอยู่ๆก็มันยอมตายเฉยๆอันนี้ไม่เป็นประโยชน์มันเป็นที่น่าตําหนิกันมากอรรบรรดาลูกรักเวลาเลยเป็นแล้วพ่อขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ เพราะความสัขสิ์สิทธิ์ัฒนธรงคลสมงบุบนผลจงมีในโลกทุกคนขึ้นที่ว่าความชนะทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีกัจิตใจของโลกทุกขณะเวลาจนกว่าจะสิ้นทีพตักัยสวัสดี